สิบทุติยมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่สองสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะินจา ก, กาวสถารามในนาทิกคามณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดมรณสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว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 เราพึงพลาดหกล้มก็ได้พระทหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกําเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกาเริบก็ได้หรือลมมีพิษดังศาสตราของเราพึงกําเริบเพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่ า, าบาปอกุิร ธ, ธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เรา ผู้จะตายในเวลากลางวันมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าบาปอกุโสณธรรมที่เรายัางละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมขมเนความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอคุโสณธรรมเหล่านั้น ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมักขมน่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุสนรธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมักขมแ่นความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่ศีสนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวัลไม่มีภิษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมดนั้นแหลตามสำเนียงในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แลทุติยมรณสติสูตรที่10จบสารณียวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมมสารณียสูตร 2. ทุติยสารณียสูตร 3. นิสารณียสูตร 4. พัตธกะสูตร 5. อนุตต ป, ปิยสูตร 6. นกุลละปิตุสูตร 7. โสปะสูตร 8. มัจฉพันธสูตร 9. กพฐมมรณสติสูตร 10. ทุติยมรณสติสูตร สอนุตริยวักหมวดว่าด้วยอนุตริย์หนึ่งสามกะสูตรว่าด้วยหมู่บ้านสามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารชื่อโปกรณีใกล้หมู่บ้านสามะแควนสักกะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วโปกระนีวิหาร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 ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศ า, าสดาทรงพอพระทยัยครั้นเทวดานั้นรู้ว่าพระศ า, าสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวันณนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วโปะครณีวิหารเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุเทวดานั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ชั่วแล้วหนอ ที่เธอทั้งหลายเสื่อมจากกุศลธรรมแม้พวกเทวดาก็รู้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปริหานิยธรรมทำที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมสามประการข้ออื่นอีกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปริหานิยธรรมสามประการ ปริหานิยธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 2. ความเป็นผู้ว่ายาก 3. ความเป็นผู้มีปาปะมิตรมิตรชั่วภิกษุทั้งหลายปริหานิยธรรม3ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายบางพวกในอดีตเสื่อมแล้วจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็เสื่อมเพราะทำากประการนี้แหล ชนทั้งหลายบางพวกในอนาคตจกเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็จะเสื่อมเพราะธทำหกประการนี้แหลชนทั้งหลายบางพวกในปัจจุบันกําลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็เสื่อมเพราะทำหกประการนี้แหละสามกะสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อปริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมทมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม6ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังอปริหานิยธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย สามความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับสี่ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมูห้าความเป็นผู้ว่างง่ายหกความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตร ด, ดีภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมหกประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายบางพวกในอดีตไม่เสือมจากกศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เสืมเพราะทำหประการนี้แหล ชนทั้งหลายบางพวกในอนาคตจกไม่เสื่อมจากกุศลธ ร, รรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็จกไม่เสื่อมเพราะทำหประการ น, นี้แหลชนทั้งหลายบางพวกใ น, น okay. ในปัจจุบันไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เสื่อมเพราะทำหประการ น, นี้แหลอปริหารยสูที่สองจบ พยะสูตรว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกามภิกษุทั้งหลายหนึ่งคำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกามสองคำว่าทุก EM. ข์น um ี้เป็นชื่อของกามสคำว่าโรคนี้เป็นชื่อของกาม4คำว่าฝีนี้เป็นชื่อของกามห้าคำว่าเครื่องข้องนี้เป็นชื่อของกามห คำว่าเบือกตมนี้เป็นชื่อของกามคำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกามเพราะเหตุใดเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากภัยทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคำว่าภัยนี้จึงเป็นชื่อของกามคำว่าทุกข์ละถึงคำว่าโรคคำว่าฝี คำว่าเครื่องข้องคำว่าเปลือกตมนี้เป็นชื่อของกามเพราะเหตุใรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยการมราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากเปลือกตมทั้งที่มีในพบนี้ทั้งที่มีในพบหน้าฉะนั้นคำว่าเปลือกตมนี้จึงเป็นชื่อของกามพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาขันตรัสวยาก์ภาสิทนี้แล้ว จึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภัยทุกโรคฝีเครื่องข้องและเปลือกตมเหล่านี้เราเรียกว่ากามที่ข้องของปุถุชนชนทั้งหลายเห็นภัยในอุปอาทานอันเป็นแดนเกิดแห่งชาติและมรณะย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งชาติและมรณะเพราะไม่ถือมั่นชนเหล่านั้นถึงธรรมเป็นแดนเกษมมีความสุข ดับสนิทในปัจจุบันล่วงทุกทั้งหมดไปได้พ้นเวรทั้งปวงพยะสูตรที่สจบ 4. หิมวันตสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพานภิกษุทั้งหลาย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 เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลพึงทำลายขุนเขาหิมพานได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาที่เลวซามเลยหิมวันตัดสูที่4จบ หาอนุสติฐานสูตรว่าด้วยอนุสติฐานภิกษุทั้งหลายอนุสติฐาน6ประการนี้อนุสติฐาน6ประการอะไรบ้างคือ 1. อริษสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำพุทธานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 2. ออริยสาวกระลึกถึงธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามาคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำธรรมมนุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 3. อริยสาวกระลึกถึงสง์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค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 สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังคารนุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 4. อริยสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุ่มไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดาเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามาคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสีลานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลหล 5. อริยสาวกระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอละถึงควรแก่การขอ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 ทำจาคานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลหกอริยสาวกระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานนรดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวดีเทวดาชั้นโพรมกายเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้น เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวลโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดละถึงสุตตะจาคะปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้น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 สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำอนุสติทั้งหกนี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายอนุสติฐานหกประการนี้แหละอนุสติฐานสูตรที่ห้าจบ มหากัจจานสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะณที่นั้นแหลท่านพระมหากัจจานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายหน้าอาจจัศจริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบคืออนุสติฐานหประการเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศกและปริเทวะความร่าไรเพื่อดับทุกความทุกข์กายและโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุยญาธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน อนุสติฐานหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระธราคตสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น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 ผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำพุทธานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แลสองอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดําเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกําหนัดคําว่ากําหนัดนี้เป็นชื่อของก ร, รมคุณห้าอริสาวกนั้นแลมีจิตเสมออากาศอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวง ผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำธรรมานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แล 3. อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกรุ่มรุมไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมไม่ถูกโมหะกรุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้าอริยสาวกนั้นแหลมีจิตเสมออากาศอันไพ่บู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังขานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แล 4. สี่อริยสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลของตนสมัยนั้น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 โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสาตัตว์ปางพวกในโลกนี้ทาสีลานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละอเาอริยสาวกเราลึกถึงจาคะะของตนว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอละถึงควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนสมัยใด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 ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทําจาคานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แหล 6. หกอริยสาวกระลึกถึงเทวดาว่ามีเทวดาชั้นจาตุมหาราชละถึงเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้น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 และของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุ่มไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุ่มเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกําหนัดคาว่ากําหนัดนี้เป็นเชื่อของกามคุณห้าอริยสาวกนั้นแลมีจิตเสมอด้วยอากาศอันไพูโบ์เป็นมหากต ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำเทวตานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แลผู้มีอายุทั้งหลายหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหรันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบคืออนุสติฐาน6ประการนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานมหากัจจานสูที่6จบ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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจหประการนี้สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจห ป, ป, ประการอะไรบ้างคือ 1. สมัยใดภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัด ซึ่งอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึ่งเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละกามาราคะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่หนึ่งที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 2. ส, สมัยใดภิกษุมีจิตถูกพยาบาทความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบเมอยู่ และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุมถูกพยาบาทครอบเมือยอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุ โปรแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแกผมเถิดพิกสุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแกเธอนี้เป็นสมัยที่สองที่ควรเข้าไปพบพิกสุผู้เจริญภาวนาทางใจ 3.. ส, สมัยใดพิกสุมีจิตถูกถีนมิทะความหดหูและเสื่องซึมกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่ และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดทีนามิทะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกทีนมิทะกลุ้มรุงถูกทีนมิทะครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดทีนมิทะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ขอผู้มีอายุได้โปรดแสดงธรรมเพื่อละทีนมิทะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละทีนมิทะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่สที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 4. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจกลุ่มรุ่งถูกอุทจักกุกกุจจะครอบงำอยู่ และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดอุทจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วออกไปตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึ่งเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกอุทจักกุกุจจะกลุ่มมถูกอุทจักกุกุจจะครอบงำอยู่และผมไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดอุทจักกุกุจจะ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละอุทจจะปุกุจจะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละอุทจจะปุกุจจะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่สที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 5. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยกลุ่มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า <uet. S 1> ผู้มีอายุผมมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจช้าแกผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจช้าแก่เธอนี้เป็นสมัยที่ห้าที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 6. สมัยใดภิกษุไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับสำหรับผู้อาศัยมนุษย์การอยู่สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสะวะโดยลำดับสําหรับผู้อาศัยมนิสการอยู่ขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะแก่เธอ นี้เป็นสมัยที่6ที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ6ประการนี้แลปวมมะสมยสูที่7จบ พุติยะสมยยสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนาสูตรที่สองสมัยหนึ่งภิกษุเทระจำนวนมากอยู่ในป่าอิสิปตนมรกคทายวันเข ค, ครงพราราณสีครั้งนั้นเมื่อภิกษุเทระเหล่านั้นกลับจากบินทบาทภายหลังชันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในโรงฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างว่า ผู้มีอายุทั้งหลายสมัยไหนเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อกล่าวถามกันอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระดังนี้ว่าผู้มีอายุสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จล้างเท้าแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดารงสติไวเฉพาะหน้า สมัยนั้นเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุสมัยนั้นไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภาาพิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จล้างเท้าแล้ว นั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นความเหน็ดเหนื่อยเพราะการเที่ยวบินธบาตของภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นยังไม่สงบระงับและความเหน็ดเหนื่อยเพราะการฉันอาหารของภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นก็ยังไม่สงบระงับฉะนั้นสมัยนั้นจึงไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้น แต่สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่ร่มเงาวิหารสมัยนั้นควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุ สมัยนั้นไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งครูบรรลังตั้งกายตรงดํารงสติไวเฉพาะหน้าที่ร่มเงาวิหารสมัยนั้นสมาธินิมิตที่ท่านมนสิกาในเวลากลางวันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้น สมัยนั้นจึงไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภาาิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแต่สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่า ผู้มีอายุสมัยนั้นก็ไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภาาิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแต่สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นกายของท่านตั้งอยู่ในโอชารสความสบายย่อมมีแก่ท่านเพื่อมนั์สการถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสมัยนั้น จึงเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้อนั้นผมได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจหกประการนี้ สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจโระการอะไรบ้างคือ 1. สมัยใดภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุ่มถูกกามราคะครอบงำอยู่และเธอก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึ่งเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ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 ที่ควรไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 2, สมัยใดภิกษุมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมละถึงสมสมัยใดภิกษุมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุม 4, สมัยใดภิกษุมีจิตถูกอุทจักุกจักกลุ่มรุม 5. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุม 6. สมัยใด ภิกษุไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสะวะโดยลําดับสําหรับผู้อาศัยมนัสการอยู่สมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสะวะโดยลําดับสําหรับผู้อาศัยมนัสการอยู่ขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายแก่ผมเถิด ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแก่เธอนี้เป็นสมัยที่หกที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจผู้มีอายุทั้งหลายข้อนั้นผมได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีประภาคว่าภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจหประการ น, นี้แหล ทุติยะสมยสูที่8จบ